นิทานเรื่อง เขตเมืองพาราณสีมีฝูงสุนัขจิ้งจอก ละความโลภนั้นได้วันหนึ่งที่ริมฝั่ง ที่จะเพราะเห็นว่าเป็นส่วนที่เล็กที่สุดกินโอ้โห อ๋องหล่ออุ้ยอืมอะไรกันเนี่ย พญาสุนัขไม่พอที่จะฉีกเนื้อของช้างกินได้แต่เนื่องจากความอยากกินทอจัดเพราะเห็นว่าโอ้โห อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยกระเด็นเจ็บอีกแล้วจะวิ่งชนๆพะผ่าวันนี้ต้องพยายามใหม่มัน ขนาดนั้นเองมีนกหลายฝูงบินผ่านไปๆเฮ้ยไปๆๆๆๆ จะงวงขาวๆขาวๆนี่คงเป็นงาหูแล้วก็ท้อง ขนาดนั้นเองมีนกเอี้ยง 2 ตัวไปจับ พญาสุนัขจิ้งจอกรู้ๆ จากนั้นก็ปลอบใจตัวเองเพื่อ มิ่งไปที่หางช้างและพบ คราวๆดีกว่าล่ะมั้ง พญาเช่นตับและหัวใจเป็นต้นและหัวใจเป็นต้นเมื่ออิ่มดี เวลาหิวขึ้นมาก็มีไม่ยอมออกไปหากินที่อื่นเลยกินมากมาย แต่ครั้นเวลาล่วงเลยไปหลายวันเข้า เดินไปมาสะเปะสะปะเริ่มรู้สึกจิตอัก มีแสงสว่างก็ไม่มีเลยทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาแสงสว่างก็ไม่มีวัน ทำให้ศพของช้างกลับพองรอดตายแล้ว เมื่อโอกาสรอดตายมาถึงเช่นนั้น ตนจึงหลุดติดอยู่ที่ทวารหนักของ โลภอยากได้เจ้าความโลภเอ๋ยต่อไปนี้ข้าจะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้